อย่างที่สำคัญบอกว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาพระนิพพานทั้งข้อปฏิบัตินั้นกลมกลืนกันอันนี้คือคือหลักสำคัญที่เอาไว้วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกับผลที่มุ่งหมายต้องกลมกลืนกันจะต้องไม่ขัดกันเองเนี่ยนะถ้าเหตุขัดกับผลมันก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยนะเหมือนสลักสองอันที่ต้องมาเข้ากันเนี่ยมันจะต้องกลมกลืนกันมันจะต้องเข้ากันได้ฉัดใดพระนิพพานและข้อปฏิบัติต้อง กลมกลืนกันฉะ น, นัน้นเราก็ต้องมาพยายามกำหนดเหตุกำหนดผลให้ดีๆแต่ที่แน่ๆถ้าปฏิบัติตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับเป็นความสุขอย่างเดียวเป็นความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีพิษภยัยไม่มีทุกข์โทษเลยเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทำทอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขอยู่แล้วไม่ได้พระองค์ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังไม่ได้วางไว้ว่าเออถ้าเธอทําอย่างนี้เธอจะได้เดือดร้อนมากๆทุกข์มากๆลําบากมากๆเครียดมากๆ ก, กดดันเอาไว้อะไรเป็นต้นไม่เลยคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นแจ้งอาจหารสมาทานและร่าเริงไม่ใช่ตรงกันข้ามสร้างความกดดันให้เรียกว่าเป็นเกมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัชิงไว้ชิงพริบชิงอะไรกันชิงเพื่ออะไรอันใดอันหนึ่งไม่เลย คำสอนตรงกันข้ามเนี่ยนะตรงง่ายเรียกว่าเจีมแจ้งนะักเพราะงั้นอ่ะทั้งตรงทั้งง่ายฟังก็เข้าใจง่ายความหมายก็ลึกซึ้งนั่นเป็นลักษณะของคําสอนไม่เป็นอย่างนั้นและก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีผลประโยชน์เหล่าใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนอกจากสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตามที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นถ้าเราเข้าใจตามนั้นเราก็ศึกษาคําสอนถูกต้องแล้วถ้าตรงกันข้าม นะการศึกษาคำสอนไม่ใช่เล่นเกมนะนะไม่ใช่เล่นเกมอันใดอันหนึ่งที่ว่ามีคนแพ้และก็มีคนชนะผู้ที่ศึกษาคำสอนถูกต้องสุขโดยส่วนเดียวไม่มีผู้ที่แพ้มีแต่คนชนะชนะโดยมงคลคนเรียกว่าชยะมงคลชนะโดยมงคลทั้ง38เพราะปฏิบัติไปตามมงคล38ก็มีแต่ชนะนะนะชนะมัจจุมานชนะกิเลสมานชนะอภิสังขารมานชนะ ชนะเทวปุตตมานก็คือชนะวัตตทุกข์ทั้งหลายแต่จะเร็วจะช้าอีกเรื่องหนึ่งนะนะมนถ้าปฏิบัติพลาดก็ประคับประคองทํายังไงจะได้ปฏิบัติได้ถูกปฏิบัติได้ตรงซึ่งก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราเองนั่นแหละอย่างที่กล่าวบ่อยว่าเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ดีขึ้นเพราะการปฏิบัติของเราเลย น, น, นะพระองค์ก็ไม่ได้เสื่อมลงเพราะเราไม่ปฏิบัติดังที่กล่าวว่า ถ้าเราหลับตาหรือลืมตาไม่มีผลอะไรต่อแสงอาทิตย์เลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะเราจะยืนเราจะเดินเราจะนั่งจะนอนไม่ <S <S มีผลใดๆต่อแผ่นดินเลยเราจะหายใจหรือไม่หายใจไม่มีผลอะไรต่ออากาศเลยพารัตนาตรัยก็เหมือนกับดินเหมือนกับลมเหมือนกับน้ำเหมือนกับไฟเราอาบน้ำไม่อาบน้ำไม่ได้มีผลอะไรต่อน้ำเลยนะเราจะกินเราจะทานอาหารหรือไม่ทานอาหารตัวอาหารเองไม่มีผลอะไรกับ เราเลยอาหารไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ดินนั้นดินเนี่ยมีประโยชน์สําหรับเราน้ําก็มีประโยชน์สําหรับเราลมก็มีประโยชน์สําหรับเราไฟก็มีประโยชน์สําหรับเราแสงสว่างก็มีประโยชน์สําหรับพวกเราทั้งหลายสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราอย่างเดียวเท่านั้นนี้ถ้าเรายอมรับว่าคําสอนเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เรา การที่เรายอมรับอย่างนี้แหละเรียกว่าสวาขาโตภควตาธรร ม, มูมีความมั่นใจว่าพระธรรมคําสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเอียงไปอันใดอันหนึ่งแสดงว่าความเข้าใจเหล่านั้นไม่ถูกต้องนะนะงนั้นความเข้าใจใดที่ไม่ถูกต้องก็อย่าลืมว่าอันนั้นเป็นมิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดพลาดนั่นแหละคือมิจฉาทิฐิ เพราะสัมมาทิฏฐิแปล ว, ว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกต้องต่ออะไรไม่ใช่ถูกแต่ต้องนะถูกต้องหมายคือว่าตามความเป็นจริงความจริงก็มีอะไรบ้างมีกรรมมีผลของกรรมมีเหตุมีผลมีปัจจัยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็ความจริงที่สูงสุดอีกเข้าไปก็คือความจริงที่เป็นระดับอริยสัจจะทั้งหลายเป็นความจริงที่ประเสริฐสุดเป็นความจริงที่ สูงสุดเนี่ยนะก็คือความความเห็นในอริยสัจทั้งหลายฉั้นการเห็นอริยสัจทั้งหลายนั้นเป็นความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นความเห็นที่จริงที่สุดและเป็นความเห็นที่สูงสุดเพราะผู้ใดเห็นความจริงอันนี้แล้วพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้เห็นในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละ จึงต้องเร่ร่อนเที่ยงเที่ยวไปในวัตตะแต่สําหรับผู้ที่เห็นความจริงคือเห็นอริยสัจก็ไม่ต้องเร่ร่อนท่องเที่ยวไปในวัตตะเพราะนั้นความเห็นที่ตรงความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องเป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจเพรนั้นเราต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่เราทําในปัจจุบัน มันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรวิถีชีวิตที่เราดําเนินอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจได้อย่างไรคําที่เราพูดทุกๆวันพูดวันละหลายครั้งเป็นต้นคําเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นอริยสัจได้อย่างไรความคิดที่เราคิดประจําวันเนี่ยนะทุกวันที่คิดคิดคิดไม่รู้คิดมากมายเนี่ยคิดเว้นไว้แต่หลับหลับแล้วก็ยังฝันคิดต่อไปอีกเนี่ยนะมันจะเห็นอริยสัจได้อย่างไรถ้าเป็นไปเพื่อเห็นอริยสัจถูกต้องถ้าไม่เป็นไปเพื่อเห็น อริยสัจแสดงว่าผิดพลาดอะไรก็ตามเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดถ้าไม่จบลงที่การเห็นอริยสัจเรียกว่าพลาดโดยส่วนเดียวเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาปรงตรัสเลยว่ากายกรรมเหล่าใดต่อให้เป็นกุศลก็ช่าง ทั้งกามาวจรกุศลรูปาวจรกุศลหรืออารูปาวจรกุศลถ้าไม่เป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจเรียกว่ามิตร ม, ช, มชาปฏิปฏิปทานในปฏิปทาสูตรสังยุตติกายนิทานวัคเนี่ยนะเล่ม26เนี่ยกล่าวไว้อย่างนั้น เนั้นอะไรก็แม้กระทั่งปุญญาพิสังขารที่เป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณปุญญาพิสังขารเหล่าใดไม่ว่าจะเป็นมหากุศลแปรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลกายสันเจตนาที่เป็นกุศลวจีและมโนสันเจตนาที่เป็นกุศลปุญญาพิสังขารเหล่าใดก็ช่างโดยที่สุดแม้แต่อเนินชาพิสังขารถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อรู้เห็นอริยสัจเรียกว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ยังถือว่า ผิดเพราะไม่ได้จบลงที่การเห็นอริยสัจถ้าไม่เห็นอริยสัจมันออกจากทุกไม่ได้ไดนะถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกทุกยังไงก็ไม่พ้นจากทุกเมื่อไม่พ้นทุ ก, กจะไปไหนก็จมอยู่กับความทุกข์ก็ต้องจมอยู่กับชราและมรณะทั้งหลายเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้นเพราะเราต้องพยายามหมั่นกําหนดเลยว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดทุกทุกความคิดน้อมไปเพื่อการเห็นอริยสัจได้ อย่างไรเนี่ยนะก็ต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนตั้งแต่บเบื้องต้นบอกว่ายากเนี่ยนะทำไปเถอะยิ่งขยันมากก็ไม่ได้แปลว่าได้งานมากใช่ไหมคนไม่เป็นให้ทํางานเนี่ยนะถามว่าจะได้งานเยอะไหมเนี่ยนะยิ่งสมัยเนี้เอาให้เขาว่าโอ้แหมเขามารีบเหลือเกินอยากไปให้มันทันให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ขับรถไม่เป็นอนะ่แล้วต้องเป็นคนขับรถด้วยเนี่ยนะยอมว่ามันจะถึงไหนโอก็อาจจะนูนะ่นถึงโรงพักอันอย่างที่หนึ่ง อันที่สองถ้าหนักกว่า น, นั้นก็อาจจะถึงประวัตินะะร่างกายอาจจะถึงวัดถูกสวดไปอีกในที่หนึ่งถ้าใจที่เป็นอักุศลก็ไม่รู้ไปถึงอบายคุมไหนก็ไม่ทราบนี่ยนะหมายความว่าถ้าไม่เป็นแล้วไม่มีประโยชน์เลยโดยที่สุดแม้แต่ขับรถก็ยังไม่ได้มีประโยชน์เลยว่างั้นเนะีลยทุกเรื่องเนี่ยนะมันจะต้องมีความรู้และความเข้าใจการศึกษาพระธรรมเนี่ยความเข้าใจนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไอ้ความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนะ เรียว่าเข้าถึงใจเลยแหละว่างั้นเถอะเข้าถึงใ จ, ใจใจคิดแบบไหนใจอันนั้นแหละเป็นทิฏฐิทิฏฐิจะผิดหรือจะถูกเ น, นี่ยนะก็อย่างว่าวัดเครื่องวัดผลอยู่ที่ไหนถ้าความเห็นถูกจบลงที่ความสุขถ้าความเห็นผิดจบลงที่ชาติชราและมรณะพันอดีตของเราทั้งหลายนี่เห็นไม่ถูกกันหรอกถ้าเห็นถูกไม่มา เพื่อนำมาวิ่งมหาชาราและมรณะขนาดนี้เราแสดงว่าอาดีตเราก็ไม่ใช่คนดิบคนดีมาจากไหนใช่ไหมไม่ใช่คนที่มีปัญญาเห็นอริยสัจมาจากที่ไหนเมื่อไม่เห็นอริยสัจผลกําไรออกมาก็คือชาราและมรณะมันของแถมบานไปหมดเลยเนี่ยนะชารามรณะโรคภยัยไข้เจ็บเป็นต้นก็เป็นผลผลิตของอะไรผลผลิตของเข้าความเข้าใจที่ผิดพลาดนี่เรามาเจอคําสอนคําสอนที่บอกให้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นอะไรนะเห็นะ เราทํำยังไงจึงจะทําถูกต้องพูดยังไงจึงจะพูดพูดถูกต้องคิดอะไรจึงจะคิดอย่างถูกต้องเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นถูกต้องเห็นอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัจพยายามกําหนดทิศ ท, ทางเหล่านี้เอาไว้ให้ดีกําหนดทิศทางอันนี้เอาไว้ให้ดีแล้วค่อยคอยหาวิธีการอนนะค่อยๆหาวิธีการพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทีท่านิกายสามสูตรใหญ่มากเลย มัชฌิมนิกายเนี่ยนะร้อยห้าสิบสองสูตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันกว่าสูตรอังคุตรนิกายเก้าพันกว่าสูตรคุถกนิกายสิบห้าคำพีสิบห้าคำพีอภิธรรมปิฎกเนี่ยมีอยู่เจ็ดคำพีใหญ่แล้วก็พระวินัยปิฎกมีอยู่ห้าคำพีใหญ่ฉันถามว่าทําไมสอนไม่มากมายขนาดนี้เพื่ออะไรแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยงวิธีการ บอกตรงๆว่าพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยงวิธีการว่าจะต้องทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆว่าทำอะไรแล้วมันได้ผลเป้าหมายสูงสุดคือมรรคผลนิพายเธอปฏิบัติตามสูตรนี้ก็ได้ตามสูตรนี้ก็ได้แต่มีเป้าหมายอันเดียวกันนะเหมือนถ้าจะเราจะไปลงทะเลเนี่ยนะมันจะลงเนี่ยเดินไปที่ตะวันออกเดินไปที่ตะวันตกจะไปลงฝากตะวันตกฝากฝากตะวันออกก็ขอให้มันลงทะเลนเป็นใช้ได้เหมือนมาจากมาเข้ากรุงเทพจะมาจาก จังหวัดภาคโดยรอบมันจะมาจากทิศไหนก็จางเถอะสำคัญว่าให้มาถึงกรุงเทพได้เป็นใช้ได้การศึกษาและการปฏิบัติตามคําสอนก็เหมือนกันเคยบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสูตรนี้เท่านั้นพิสูจน์ทั้งหลายเธอไม่ต้องเอาสูตรอื่นหรอกปฏิเสธอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่ทุกสูตรเป็นไปเพื่อรถเดียวคือวิมุตติรถนั่นเพราะว่าพราะองค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายคืออะไรก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการแทงตลอดอริยสัจนั้นะนะ เอาอะไรเป็นหลักเป็นธงชัยเป็นธงเนี่ยนะพระรยะเจ้าทั้งหลายเขามีธงเหมือนกันนะภาษาทางโลกเนี่ยเอาบาชาวบ้านเราบ้านเราสั ญ, ญลักษณ์เบืองไทยคืออะไรคือธงชาติไทยก็ว่าทูชงชาติไทยสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีศึกสงครามเขาก็ทูชูธงของเขาเหมือนกันนะธงศึกว่าฝึกฝ่ายไหนถ้าฝ่ายไหนชนะธงเนี่ยจะชูตะงานฝ่ายไหนแพ้ธงเ่ยเรียบร้อยเลยนะในทางธรรมะนี่เรามีธงคืออะไรอ่ะ ธงของเราที่เป็นเครื่องหลักใจเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดธงคือโพธิปัจจะธรรมเป็นธงชัยของพระเรียเจ้าทั้งหลายธงชัยของพระเรียเจ้าทั้งหลายคือโพธิปัจจะธรรมเราปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรจึงจะเป็นไปตามโพธิปักขยธรรมเพราะถ้าเป็นไปตามโพธิปัจขยธรรมนั้นเราก็ประสบแต่ความสุขและความเจริญทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วก็วิธีการเนี่เกี่ยงไหม พยายามอยากเกี่ยงวิธีการได้ดีที่สุดอย่างโพธิปัจหยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้สาสิบเจ็อย่างเจริญอันไหนก่อนได้เจริญไปเลยนั้นะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งว่าอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาอันโน้นอันโน้นไม่ได้ก็ไม่เอาอันนี้เพยายามศึกษาทั้งสามสิบเจ็ดให้มันครบถ้วนแล้วเจริญข้อไหนได้เจริญตัวนั้นไปเลยหรือเหมือนที่เราเรียกว่าเรียนบุญญากริยาวัตถุสิบบุญญกิริยาวัตถุข้อไหนทําได้ทําไปเลยแต่ตอนเรียนนี่เรียนให้มันครบทุกข้อเนี่ยนะ โพธิปัจขยธรรมก็เหมือนกันมงคล38ก็เหมือนกันเรียนให้หมันครบทั้ง38ข้อนั่นแหละให้เข้าใจให้ดีๆเมื่อเข้าใจแล้วปฏิบัติตัวไหนได้ก่อนเจริญตัวนั้นก่อนตัวไหนอยู่ใกล้ตัวนั้นทําทก่อนถ้าตัวไหนอยู่ใกล้แล้วไม่ทําก่อนตัวนั้นจะพลาดโพธิปัจขยธรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันอาจจะขึ้นต้นด้วยสตินําหน้าไปก่อนก็ได้คนที่เน้นสตินําหน้าเรียกว่าปรารบสมถะนาหน้าเพราะสตินี้เป็นสมถะ มันสมถะนำหน้าก็ได้หรือปรารภปัญญานำหน้าก่อนก็ได้หรือทั้งสมถะและวิปัสนาเคียงคู่กันไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้มันได้สักอย่างหนึ่งจะเอาศรัทธานำหน้าก่อนก็ได้แต่ว่าสําคัญที่สุดถ้าเอาศรัทธานำหน้าอินทรีย์มีห้าข้อนะต้องศึกษาให้มันครอบทุกอินทรีย์แต่จะขึ้นต้นตรงไหนเมื่อไรขณะไหนก็เหมือนกันแหละมรรคแดก็เหมือนกันปรารภตรงไหนก่อนก็ได้ที่สําคัญที่สุดขอให้มันครอบแปดกันแล้วกันเป็น ใช้ได้เนี่ยนะนะั้นการศึกษาพระธรรมนั้นต้องมีวิธีการที่ไม่เกี่ยงขอให้คุณธรรมนั้นเจริญขอให้เจริญด้วยคุณธรรมและที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายเป้าหมายนั้นคืออะไรเนี่ยนะนะเพเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานนั้นถ้าเราพื้นฐานมีความคิดมีความเข้าใจในลักษณะนี้เชื่อไหมพระไตรปิฎกทั้งหมดดีทุกสูตรสําหรับเรา เราจะไม่รู้สึกแม้สูตรนั้นดีน้อยสูตรนี้ดีมากปฏิเสธสูตรนี้เอาสูตรนั่นไม่มีมีแต่ดีหมดสำนึกพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวช่างดีแท้เนี่ยนะพระองค์ช่างมีพระมหากรุณาแท้ที่สอนจำแนกไว้อย่างมากมาย พระองค์นี้ช่างมีปัญญาตรัสรู้ยิ่งแท้พระองค์นี้มีสัพพัญญุตยานอย่างแน่แท้พระองค์จึงรู้ได้อย่างมากมายคําสอนของพระองค์ไม่มีอคติใดๆอยู่ในนั้นเลยนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจของพระองค์แท้เนี่ยนะเงพระองค์ช่างกรุณามากแท้สอนไว้มากมายไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหน่อยพระองค์นี้มีพระสัพพัญญุตยานเป็นแน่แท้พระองค์จึงสอนโดยนิยววิจิตพิสดารพระองค์นี้มีพระกรุณาแน่แท้ จึงเป็นคําสอนที่ไม่เจือปนด้วยอคติเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลยและพระธรรมเหล่านี้ก็นําออกจากทุกได้จริงพระธรรมเหล่านี้ทุกสูตรสวาขาโตภควาตาธรรมโมทุกสูตรถ้าปฏิบัติตามตามนี้พ้นทุกได้หมดเลยถ้าปฏิบัติโดยความรู้โดยความเข้าใจที่ถูกต้องทำที่สุดแห่งทุกได้เลยเพราะที่สุดแห่งทุกอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเห็นอริยสัจเนี่ยนะแต่เห็นอริยสัจ4ครั้งเรียกว่าทำกิจ16จบ ถ้าเห็นอริยสัจสี4ครั้งเรียกว่าทำกิจ16เสร็จสิ้นเนี่ยนะโดยปริวัติ3มอาการ12เนี่ยนะ